สรุปแล้วว่าไงจันวินิทภาธรหันตายแล้วศูนย์หรือเกิดจิลองไล่ดูไปถึงุกเรื่จริงลองลองไล่สาไปดูนะคือลองไล่ไล่สาไปดูว่าเอ อ, อความหมายของภาอรหันนี่หมายความว่าอะไรใช่ไหมคือตั้งแต่ไกลจากเิเรทำาไมข้าศึกคือคกิเลสหรือว่าหากสี่กา ร, รแ่งสังสาร จ, จักไปจนกระทั่งรู้มีมี อืมีนิาพานมีมัคคจิตเหมือนกันเลย น, น, นะครับก่อนถึงมัคคจิตก็ต้องมาเป็นพวกนิพิทาพวกจากจากนิพิทามาก็ต้องไปไปไปเบื่อหน่ายไปในขันท่าจนละปัญหาในขันท่าต้องไล่ลงไปตรงนั้นจึงจะเห็นใช่ไหม ค, ครับมันต้องมองออกนะคือคือว่าตรงๆเลยนะเช่นพระ้าหั่นเนี่ยแปลว่าหักสี่กรรมแห่งสังสาระจักก็ต้องมองว่าทั้งหมดนี่ยคือสังสาระนงะ สังสาระหมายถึงลำดับแห่งขันอายตนะที่เป็นไปแล้วขันอายตนะเหล่านั้นที่เป็นไปและอะไรเป็นตัวกรรมอะไรเป็นกองอะไรเป็นดุมเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านั้นสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลยังไงทีนี้ถ้าจะทำลายไอ้ตัวซี่กรรมเนี่ยทาลายด้วยการทาลายอะไร ก, <ม>ก็จะเริ่ ม, มก็จะมองออกทีนี้ถามว่าแล้วในสิ่งนั้นะ่ะเป็นสัตว์ใช่ไหมเป็นบุคคลใช่ไหม แต่ว่ามีโดยโวหาระเป็นโดยโวหารแต่ว่าก็อย่างที่ว่าพระอรหันต์ท่านก็ใช้ศัพท์ว่าเราแต่เราบนพื้นฐานของผู้ที่ทําปริญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ของเราก็เราแต่ว่าอาวิชชาหุบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็เรามันคนละเรากันะนะอย่างพระ่อ อ, องค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนทนอย่างเงี้ยพระ อ, องค์ก็ตรัสใช่ไหม เธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรก็ใช้คําว่าเธอเราตถาคตกล่าวว่าเธออยากกล่าวอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านไม่ได้เข้าใจผิดเลยนะสัพโวาหารเหล่านี้ท่านไม่ได้เข้าใจผิดกันเลยแต่ของเรามันใช้อย่างนั้นจริงๆอะ่ะมันสําคัญว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าเนี่ยคือที่มาของปัญหาทีนี้ไอ้หลักวิชาเหล่านี้มันเป็นวิชาของเรียกว่าบัณฑิตชนเนี่ยหรือใช้คําว่าวินยูชนเนี่ยพอรู้ได้ศึกษาได้ ทีนี้ถ้าคนทั่วๆไปนะมาฟังเรื่องนี้เอ๊ะจะว่าไม่ใช่เราเอกีกถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปเลยนะบอกไม่ใช่เราเอกเอ๊ะมันมันเพี้ยนกันหรือเปล่าวะพวกนี้ เ, น เ, เลิกคุยกันเลยนะนถ้าเป็นอย่างอย่างสมมติ น, นะมันนึกถึงชาวชนบทแถวๆบ้านเนี่ยบอกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนี้มันอะไรขึ้นเนี่ยเนีเขาก็างงเลยนะเพราะเขามันเปนสัตว์เป็นมาตลอดนะไปบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์เข้าเนี่ยเอ๊ชะจ ะ, ะ, ะ, ะ, ะยุ่งแล้วนะเพราะาปปกไันนน่ะ ผมมองจริงเลยคล่องปากกันทั้งนั้นไอ้ไ ม, ม่ใช่สามไม่ใช่บุคคลเนี่ยมันคล่องปากจริงจริงแล้วใช้ได้นะใครคิดอย่างนี้ก็แน่นแท้นพิจารณ์บอกถ้ามันอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเป็นใช้ได้นะอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่รู้นะแต่ว่าให้มันอันอนี้จังอนั้นทุกขังอนัตตาไว้เป็นใช้ได้หมดอนะ่ะแต่ว่าอะไรยังไม่รู้เลยนะไอ้ที่ว่าเนี่ย ไม่เที่ยงไว้ก่อนเนี่ยนะอะไรไม่เที่ยงไม่รู้แต่ว่ามันไม่เที่ยงไว้ก่อนอ่ะเป็นทูกไว้ก่อนอ่ะนะคือคําพูดใดที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจในวัตถุ น, นั้นอ่ะนะมันเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนของมาเนี่ยไม่ได้สมมติไม่ได้เข้ามาหาหลัยมาเลยอย่างเงี้ยแล้วไปเอาคําในมหาวิทยาลัยมาใช้กันเล่นอ่ะนะเกลื่อนกันไม่รู้ว่าเขาจริงตามที่เราพูดหรือเปล่าไม่รู้ในนั้นอ่ะเขาใช้อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้สมมตินั้นก็จะเป็นคําพูดลักษณะนั้น คือ่มันเป็นสับของอีกกลุ่มหนึ่งอะนะกับอีกกลุ่มหนึ่งไปใช่เข้ามันจะปัญหามันไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเรืองยาว่าแต่ชาวบ้านเลยครับพวกผมนี่แหละครับเผลอเพ ล, เ ล, เล่ไม่เนี่ยมาคิดอะไรลึกซึ้งนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นเลครับใช่ไม่เพล๋อเพอะไม่ไม่ถ้าเราไม่มาทําปริญญาอะไรบ้างนะฮะหรือท่านในมันแนะเนะื้ออะไรบ้างเนี่นะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะแล้วมันรู้เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วจุดใจงอมเป็นอะไรไม่รู้ มนถามลึกเขาจะมานั่งคิเ็นะถามเมื่อกี้ว่า้าอาหารเนี่ยตกลงตายตายแล้วเที่ยงหรือตายแล้วศูนย์ใช่หมตกลงว่าเป็นไงคุณ น, นเรนีพาอาหารตายแล้วเที่ยงหรือศูนย์ลยอ่อยนอยดก่่นหมดปัจจัยที่จะทาให้เกิดอีกต่อไปก็ไม่ไม่มีการปฏิสนธิอีกอนนะ สำลอกอวิชากับตัญหาโดยไม่มีส่วนเหลื อ, อแต่ก็หมดปัจจัยที่จะทำให้กำให้ผลปฏิสนธิได้อีกคือถ้าถ้าตั้งคำถามนะไอ้ความเป็นผ้ารหันเนี่ยคืออะไรตั้งคำถามแบบนี้จริงๆก่อนนะไอ้คำว่าผ้ารหันเนี่ยคือความเป็นผ้ารหันน่ะคืออะไรคือถ้าถ้ามองในชีวิตทั้งหมดเลยนะทุกๆรูปนามเนี่ยที่ที่กล่าวกันนะ่ะคือขันทใช่ไหมทั้งหมดอนะ่ะขันท่า ปกติขันห้าของของของผู้ที่ไม่ได้ทํากิจสิบหกนี่นะเอานะเป็นขันที่ไม่ได้ทํากิจสิบหกคือไม่ได้ทํากิจในโสดาปฏิมัคสีสกัฏาคามิม MM ัค <sı> ส <Means> ีอนาคามิมัคสีอรหัตมัคสีเนี่ยเป็นขันท์ทิ้งรูปอันนี้ถือรูปอันใหม่ทิ้งเวทนาอันนี้ถือเอาเวทนาอันใหม่ทิ้งสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ถือเอาสัญญาสังขารวิญญาณอันใหม่หรือทิ้งจักสุอันนี้ถือเอา จากโซอันใหม่ทิ้งโซตะอันนี้ถือเอาโสตาอันใหม่ทีนี้ถ้าคําถามว่าหูใช่ไหมเป็นผ้าละหันจมูกใช่ไหมเป็นผ้าละหันลิ้นใช่ไหมเป็นผ้าละหันกายใช่ไหมเป็นผ้าละหัน เ, นะเพรา ะ, ะนั้นก็ถ้าถ้าอยู่บนพื้นฐานของลัทธิอัตตาเนี่ยคือลัทธิว่าเป็นสัตว์นะถึงตอบถูกมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดนะเพราะมันพื้นฐานบนความสําคัญว่าเป็นเป็นสัตว์เนี่ยนะ เพ่อนเขาเขามีคําถามว่าสมัยพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานเนี่ยนะพระทหารหท่านตาลบว่าสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะสิ่งนั้นก็มีการแตกทําลายไปในที่สุดแต่สําหรับขันใดที่ยังมีอวิชากับภวะตันหาอยู่ขันนี้ทําลายแล้วก็ขันอันใหม่นี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีแตข่ขันเท่านั้นแหละเป็นไปอันนี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิ หรือมีแต่ Kyung อายตนะเท่านั้นแหละที่สืบต่อนเนื่องกันไปอันนี้เป็นทิฏวิสุทธิหรือถ้าย่อมาก็คือมีแต่ <c oughs> นามรูปเท่านั้นที่เป็นไปถ้าย่อเหลือคำเดียวก็ความจริงก็มีแต่ทุก์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกเท่า <c oughs> นั้นแหละที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนอกจากทุ <c oughs> ทกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปคาว่าทุกในที่หมายถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันมันเกิดขึ้นเพราะอาศัย ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะก็เป็นไปตามอํานาจของปัจจัยเนี่ยนะงั้นก็ที่เหลือก็เป็นที่ตั้งแห่งโวหารดังนั้นความเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นเลยนะีเรื่องที่คุยเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนาขั้นต้นที่สุดเลยในบรรดาวิปัสสนาทั้งหลายดังั้นที่ที่สำนวนที่เราคุ้นเคยกันนะที่คุณวิลาวันพูดมันถูกแล้วบอกสวัสดีคุณขันท่าะนะมันถูกต้องที่สุด ก็จริงแต่ว่าว่าจริงๆแล้วต้องมีการแยกแยะว่าเป็นขันห้าก่อนนะไม่ใช่ว่าโวหารืว่าคุยกันขำนะไม่ใช่เพราะว่าความจริงแล้ว่ะนะไม่ว่าทุกภพภูมิเหมือนะท่านจึงพระองค์ตรัสว่าเอกก็เอกโวการพ บ, พบที่มีขันเดียวสัตว์ไม่มีมีแต่ขันเดียว น, นะจัตุวการาพบพบที่มีขันสี่ปัญจโวการาพบพบที่มีขันห้าจริงๆแล้วสัตว์อยู่ในขันใช่ไหม แล้วเขตั้งคําถามว่าคุณเห็นขันเป็นสัตว์ใช่ไหมหรือว่าเห็นสัตว์เนี่ยนอกจากขันขันอันหนึ่งสัตว์ก็อันหนึ่งอย่างเงี้ยนะเขาก็มีคําถามแยกแยะ ก, กันหมดอ่ะนะถ้าเป็นกระถาวัตถุเนี่ยเขาจะแยกจนชําแหละจนแต่ถ้าคนอ่านไม่ดีอ่ะก็ก็สัตว์อย่างหนึ่งขันก็อย่างหนึ่งอนะีกนั่นแหละพระาหันก็อย่างหนึ่งขันก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะนะคับนี่ชักยุ่งแล้วเธอว่าโดยรวมๆเหมือนะมันธรรมะแบ่งออกเป็นสองเยสังคตะกับ อสังคตะเท่านั้นน่ะ <c oughs> เวลาผมเวลาผมอออกกำลังแล้วผมผมตึกนะก็เอจะตึกอะไรดีนะนะเรานึ่องในใจนะเอ๊ะตึกอะไรดีพอมาพอผมตัดว่าอย่าให้พ้นตัวนะนะ<ม>ก็เลยเข้ามาจนได้นะเออลองเวทนาดิ<ม>ลองเวทนาขันดิีพราะเวทนาขันเนี่ยที่เขาพูดพูดว่าเอ๊ะเราเข้าใจว่าเวทนาเป็นเราอ่ะ เออลองพิจารณาดูที่มันไม่เป็นเราอย่างไงผมเคยนัน่งถามตัวเองมันไม่เป็นเราอย่างไงนะนน ก, ก็ลองไล่ไปเรื่อยอ๋อไอ้เวทนานี่มันมันต้องมาจากมาจากไอ้ไอ้ไอ้อารมณ์ละไอ้อารมณ์กับกับวัตถุนี่แหละมันทําให้เกิดผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเนี่ย<น>เอแล้วแล้วเราจริงจริงเนี่ยมันมันยังไงมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ออารมณ์เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามแล้วเรา<น>ให้เราไปเปลี่ยนมันหรือเปล่าเอะอารมณ์มันเปลี่ยนนะหรือว่าวัตถุเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับ ลองลไล่ดูต้องไล่อยู่นานครับถึงจะพอพอมองว่าเอยเอยมันไม่ใช่ของอเราจริงเกิดพอวิเคราะห์แยกแยะออกไปหมดแล้วก็ไ อ, ไอความเป็นเราไม่มีแต่อันนี้แหละภาษาธรรมะใช้คำวิปลาดมันเป็นความเพี้ยนขึ้นของของสัตว์เท่านั้นเอ ง, งนะเป็นด้วยอนุภาพของอวิชชานั่นแหละที่มันปกปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นวิปัสนาขั้นแรกก็คือเห็นทั้งมวลเห็นสัพพะกองทำทั้งมวลเป็นย่อที่สุดคือนามรูป ขยายเพิ่มกว่านั้นว่าสับผ้ารมสัผ้าสังขารทุกชนิดคือขันท่าสับผ้าสังขารทุกชนิดคืออายตนะแต่ว่าจะครบสิบสองหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเสาเนี่ไม่ได้ครบอายตนะสิบสองอะไรเสานี้ได้เกียอายตนะคุณชูศรีตัวเสานะยแยกดูสิได้เกียอา ย, ยตนะเสาเนี่ยนะมีวินิโพคารูแปดเช่นนั้นใช่ไหม เอาตั้งไว้ถ้านนก็จะแยกเป็นอายตนะไม่ยากเอ่อวินิโพเขารูแปดมีสีใช่ไหมมีเสาเป็นรูปายตนะเสานี่มีเสียงไหมถ้ามันไม่กระทบกันมันไม่เกิดเสียงหรอกถ้ามันอยู่นิ่งๆของมันนะเว้นแต่ใครไปกระทบเข้าหรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งไปกระทบเสียงจึงเกิดขึ้นนั่นทีนี้แต่ว่าเสาเนี่มีกลิ่นเสามีคันธา ย, ยตะ น, นะเสาเนี่มีรสนั่นนะคือถ้ามีหม้อไปกินเนี่ยมันจะรู้รสอ่ะ น, นะ แล้วเสาเนี่ยรับกระทบได้ใช่ไหมกระทบได้ น, นั้นเป็นโพธาภะส่วนที่เหลือเป็นธรรมรมหมดส่วนที่เหลือจากนั้นเนไม่ว่าจะโอชาหรืออาโปธาที่อยู่ในเสาเป็นธรรมธรรมายตนะก็เป็นอายตนะได้สี่ประการหนึ่งสีสองกลิ่นสามรสสี่โพธพภะห้าห้าธรรมรมนะได้ได้ห้าอายตนะห้าอย่าง นะได้อายตนะ5อย่างทีนี้ในอายตนะเหล่านั้นเนี่ยนะก็มาวิเคราะห์ว่าเป็นสานิทัศนะหรืออานิทัศ น, น, นะนีนะก็สานิทัศนะสับปติฆะถ้าสีเป็นสานิทัศนะสับปติฆะรูปบางเหล่าถ้าเสียงกลิ่นรสโพธะพะพวกนั้นเป็นอนิทัศนะแต่ว่าสับปติฆะถ้าที่เหลือธรรมรมเป็นอนิทัศนะด้วยอัปปติฆะด้วยยังไง น, นนะเขาว่ามีการแยกแยะ ก, กันอีกเนี่ย น, นะท่าน การที่จะละความเข้าใจผิดเรื่องทิฏฐิทั้งหลายอาศัยอะไรจึงละได้อาศัยโยนิโสมนัสิการเนี่ยในหนึ่งหรือกล่าวอีกตรงก็คืออาศัยปัญญานั่นเองเป็นตัวที่ทําให้ละได้นี้ปัญญาเนี่ยปัจจัยอยู่สองประการใช่ปัจจัยภายในกับภายนอกปัจจัยภายนอกคือปรตโตโฆสะนะสัมมาทิฏฐินี้ก็อาศัยปัจจัยภายนอกคือปรตโตโคสะปัจจัยภายในคือโยนิโสมนัสิการ เมื่อไรที่ไม่เป็นไปตามสองประการนี่นะเช่นอโยนิสมมนศิการคิดขึ้นนะก็เอาละนนถ้าคิดสิ่งนั้นโดยปฏิฆานิมิตหรือสุภาหนิมิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนิมิตนะอโยนิโสก็ตามยาวเลยหรือถ้าเสียงที่เสียงที่จากมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็จะคิดไปตามแนวเดียวกันกับมิจฉาทิฐิถ้าสิ่งที่ข้อมูลข่าวสารที่รับมาเป็นสัมมาทิฐิก็จะไข้ครวตาม สัมมาทิฏฐินี่นะการสดับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสาวกทั้งหลายนี่นะคือถ้ารับพิจารณาเห็นเห็นเห็นสามัญลักษณะทักอย่างนะฮะแล้วอย่างอื่นก็ดูดูรู้สึกเหมือนจะจะน่าจะโยงใยไปง่ายขึ้นก็ก็คือสิ่งเดียวกันอ่ะนะยะฐ า, านิจังตังทุกขังอ่ะนะ ยถาทุกขังตังเนี่ย อ, อนัตตาเนี่ยก็คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกด้วยสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่อัตตานะมันไม่ใช่อัตตาแบบแบบแบบที่ใครไปคิดขึ้นน่ะคือถ้าเป็นอัตตาจริงต้องบังคับบัญชาได้เช่นต้องเที่ยงถ้าเป็นอัตตาจริงนะต้องเที่ยงด้วยสองต้องเป็นสุขแล้วก็ต้องงามตลอดไป เนี่ยนะ ค, คือเงื่อนไขที่อัตตาตั้งขึ้นถ้าเป็นอัตตาต้องเป็นแบบนี้แต่เงื่อนไขอันนี้มันตั้งแบบนั้นไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะเบื้องต้นเนี่ยเป็นการแก้ทำให้เข้าใจถูกก่อนแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วไม่ได้เข้าใจผิดว่าขันเนี่ยเป็นอัตตาแม่แต่ขันเดียวทีนี้ก็ใช้ศัพท์ใหม่อีกเหมือนกันใช้คําว่าตนอีกเหมือนกันอัชตาธรรมานะเป็นเรื่องของ เฉพาะตัวเป็นของภายในตัวไม่ใช่ว่าสิ่งเนี้ยการเจริญแบบเนี้ยคนอื่นจะมาทําให้นะก็คือปฏิเสธบุคคลภายนอกแต่ก็ยอมรับในภายในแต่ภายในอันเนี้ยความคิดอันนี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อ น, นัตตาอะไรมันศีลก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอีกมันจะมันจะไปยุ่งกันใหญ่อีกเหมือนกันนะ <S <S คือธรรมะในในกลุ่มสายชั้นสูงเนี่ยระวังระวังมาก <S <S <S <S น ะ, นะเพราะว่า ศาตร์ทั้งหลายมันพร้อมที่จะไปเข้าไอ้รับที่ใดลัที่หนึ่งอยู่แล้วนะมันพร้อมที่จะไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แหละวนั้นก็บอกว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเลยปล่อยปลาละเลยไปหมดใช่ไหมธรรมาหากินไม่ต้องเก็บมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นหาไม่ได้เท่าไหร่ใช้มันหมดก็ไม่เป็นไรมันไม่เที่ยงอะ่ะเงี้ยเอาเลยกลายเป็นคนที่สุรุย่ยสุร่ายไม่รู้จักป ร, ประหยัดอะไรเลยนะกลายเป็นว่าเรียนธรรมะชั้นสูงเสียจริยธรรมอย่างเงี้ยมันมันอันนี้เสียหายละหนักๆเข้าถ้าคสินขาดเมื่อไหร่เออมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะ อันนั้นก็เสียแล้วนะใช่ไม่เที่ยงนะนะแต่ว่าไม่เที่ยงบางอย่างเนะี่ยมันใกล้ตอนอรกมากนะต้องคิดอันนั้นไว้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ขอนะอนุญาตยังพระโสดาบันเนี่ยท่านมีที่ติดที่เห็นตรงแล้วแต่ว่าก็ยังยังมีการน้องห้ายอยู่เป็นนางผู้สาขายันี้นี้นี่อาจารย์ขอมขยายความตรงนี้ก็เห็นตรงอยู่แล้วว่าสาขา น, น่นอนอยู่แล้วว่าสาขาน <im itation> พระโสดาบันไม่ได้ละ ว, วิปลาสได้หมดนะพระสโสดาบันเนี่ยจริงๆแล้วท่านยังละสุขาวิปลาสไม่ได้ละสุภาพิปลาสไม่ได้คือท่านยังละสุขาวิปลาสท่านยังสำคัญสาคัญว่าสิ่งเราน ะ, ะบุตรเป็นต้นเนี่ยแต่ท่านไม่ได้สำคัญโดยความเป็นสัตว์นะทีนี้ไอความที่ท่านยังถือว่างามอยู่ด้วยสุภาพิปลาสกับสุขาวิปลาสเนี่ยนะ เมื่ อ, อยังละไม่ได้เมื่อสิ่งนั้นเสียไปก็ก็ก็เสียใจนะะแต่ว่าไม่ได้อยู่บนหลักการที่เรียกว่านิจเจ ว, วิปลาสไม่มีอัตตา ว, วิปลาสไม่มีเนี่ยนะแค่สิ่งนั้นอ่ะนะถือเอาธรรมดาง่ายๆว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าแก้วนี้มันเป็นสัตว์เป็นอะไรอ่นะแต่ว่ามันสีสวยเป็นถ้ามันตกแตกเราเสียดายไหมก็ยังเสียดายแต่พูดแบบทั่วๆไปนะเสียดายนั่นแหละแปลว่าเสียใจอะไรบางน่าน นั่นก็คือสิ่งเดียวกันนะนะทีนี้มันเสียดายมากเสียดายน้อยถ้าเสียดายมากน้ำตามันออกนั่นแหละที่เราเรียกว่ามันร้องไห้อ่ะก็เรื่องที่ฐีนี่เพราะว่าท่านต้องเอามาพูดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันลึกซึ้งแล้วก็มันก็ยันนึกว่าพวกผมจะรู้เรื่องจะเข้าใจอะไรมันมันผมมาฟังทีนี้แล้วเออมันเป็นอย่างนั้นจริงมันเรื่องสําคัญด้วย ันพื้นฐานในการตรึกหรือการพิจารณาสิ่งนี้นะว่าให้ตรงอ่ะก็พยายามน้อมอะไรให้มันคือขันห้านะให้ให้เป็นน้อมทุกอย่างให้เป็นขันห้าก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าคิดกับขันห้าแบบไม่ไม่รู้อะไรอีกเหมือนกันนำไมใช่คือศึกษาขันเรื่องขันห้าเป็นอย่างดีแล้วน้อมสังขารทุกชนิดที่เราเรียกว่าสัตว์เนี่ยเป็นขันห้าแล้วรูปเหล่านั้นมีอะไรเป็นปัจจยัยเวทนาเหล่านั้นเกิดจาก ปัจจัยอะไรหรือย่อมานะที่เราเรียกว่าคนหรือส ah like ัตว์ทั้งหลายก็คืออายตนะ12หรือย um ่อมาเป็นเหลือแต่อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาของเขามีอะไรเป็นปัจจัยตาอันนั้นอ่ะมีอะไรเป็นปัจจัยหูอันนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยจมูกอันนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยลิ้นอันนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยกายมีอะไรเป็นปัจจัยใจอันนั้นอ่ะความคิดเหล่านั้นนั่นมีอะไรเป็นปัจจัยนะเหลือให้ย่อๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อันนี้ถ้ามองเฉพาะอายตนะภายในนะแล้วจากขู่ภาษาท่ามีอะไรเป็นปัจจัยถ้าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถ้าเมื่อมีการแยกแยะว่าคืออายตนะภายใน6แต่ถ้าสื่อสารอาศัยอายตนะภายนอกเป็นเครื่องสื่อสารนะอาศัยสีอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับอายตนะภายในเนี่ยนะเพราะอายตนะภายในเนี่ยนะมีอายตนะภายนอกเกิดร่วมด้วยไหมเกิดไหมอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเกิดร่วมกันไหมไม่ไม่เกิดร่วมกัน อภิารพูดให้ดีนะนกเกิดก็เกิดที่เดียวกันเหรอที่เดียวกันไหมว่าไม่ใช่เกิดพูดให้ดีนะนอภิบ <ant> an <ini> าลคุณตะเลนีอา ย, ตน า, อายตนาภายในกับภายนอกเกิดที่ร่วมกันไหมเยยอมเอา่าวสีของตามนี่ตาก็มีสีนะใช่ไหมกายยะภาษาธาตมันเห็นไม่ได้แต่สีเนี่ยรู้ได้เพราะอะไรในกายยะภาษาธาตสการนะต้องไม่ลืมมันนะพื้นฐานเรื่องรูปกราบนี่จึงสําคัญมากนะเนี่ ก็จากขู่ภาษาธาเนี่ยนะมันอย่างน้อยต้องมีสิบรูปที่เกิดร่วมกันอ่ะนะสีคือรูปายตนะ เ, ออเป็นอายตระภายนอกไปเอาต้องเอาขนาดนั้นหนระืมั้งรูเหมือนเดี๋เสียหายมากเรียนเรียนมาตั้งเยอะแยะเออก็มันอยู่ในนั้นแล้วอ่ะอ้าวคืออยู่ในนั้นอะ่ะแต่ว่าตัวที่เป็นภายในจริงๆอะ่ะคือตาไม่ใช่สีอายตระภายในเป็นตาไม่ใช่สี ในจักรคูทัศกะทั้งหมดนะที่เป็นภายในมีอันเดียวคือสีที่เหลือภายนอกหมดโสตทัศกะทั้งสิรูปนะภายในอยู่อันเดียวคือโตสตภาษาธาที่เหลือนอกหมดคณ ะ, าะาาภาษาธาเอ่อคณะทัศกะเนี่ยนะภายในอันเดียวที่เหลือนอกหมดเป็นอารมณ์ของคนอื่นได้ตรงนั้นเป็นอารมณ์คนอื่นเป็นอารมณ์ของตัวเองก็ได้ไ ด, ได้หรือไม่ได้อะ ก็ถามว่าถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาไหมก็ควรควรแล้วส่องกระจกไหมลืมตาดูหน้าก็เห็นแล้วคนอื่นเห็นกับเราส่องกระจกเห็นตาตัวเองมันต่างกันตรงไหนก็พอๆกันนั่นแหละเตียงก็ว่าแสดงว่ไม่ได้ทําปริญญามากมานแสดงก่าสอบตกมาตั้งเยอะก็สีข้างนอกมันยัต้องทำไม่ไหวอยู่แล้วก็คือถ้าอย่างพื้นฐานนะว่าในโลกเนี้ยถ้าศึกษาอย่างรูปกะลาบมาเป็นดีนะมันก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่ม คือเพราะว่าวิชาของเราอย่างที่กล่าวไม่ใช่เป็นวิชาเพื่อที่จะไปสร้างโลกเหล่านั้นๆเพียงเพื่อรู้เพื่อจะได้ละทิฐิจะได้ไปทำปริญญาอื่นๆเพื่อเพื่อจุดประสงค์เพื่อต้องการทาชั้นสูงใช่ไหมต้องการกุศลธรรมชั้นสูงเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนี่นน่ะวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าถ้าว่าให้ตรงอ่ะท่านไปเรียงไว้ประเฉดเกเพราะฉะนั้นประเฉดหนึ่งถึงแดนี้จึงต้องแน่นมาก ผมสนใจนะฮะที่ที่บอกว่าพระพูมิภาคทรงเลื่อนวันประวนาออกไปอีกเดือนเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยนะก็มีพระภิกษุสงฆ์ซึ่งกำลังจะมีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยถ้าเกิดว่าพระองค์ต้องจาริกออกจากพรรษาต้องจาริกเมื่อจาริกไปแล้วนี่นะครับก็ ก็พระเหล่านั้นเนี่ยจวนจวนจะ บ, บู๊งบูยัว่าจวนจะสําเร็จแล้วเนี่ยถ้ากลับมาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาใช่ไหมครับทําให้มันไม่เกิดสลายยาก็อาจจะเกิดความเสียหายใช่ไห ม, มใช่ไหมครับเสียหายเพราะฉะน<ๆ>ั้นพระองค์ก็เลยเลือกประวันารอให้ภิกษุเหล่า น, นั้นเนี่ยได้มีการอบรมกันบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็เต็มที่เลยดู้ไหมครคือเนื่องจากพระภิกษุเหล่า น, นั้นเนี่ยนะสมถะและวิปัสสนาอย่างอ่อนนะนะแต่ถ้าวิปัสสนามีกําลังไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาก็หมายควว่าถ้าอีกสักเดือนหรือ2เดือนนี่ก็ แค่นั้นวิปัสนาท่านก็มีกําลังล ม, มีกําล้วใ ห, ใใ ห, ให้สักเดือนหนึ่งก็มีกําลังเต็มที่คําว่าวิปัสนาอย่างอ่อนนี่เป็นชื่อของญานะสี่ขั้นคือสังขารปริเฉดหรือที่คุ้นเคยกันในนามนามรูปปริเฉทยานนิดหนึ่งนะสองปัจจะยปริขห า, ายานสามสัมมาสนาญาณสี่อุทยพย า, ยานในส่วนอย่างอ่อนตรุณะเนี่ยนะเพราะฉะผู้ที่ยังยังเจริญญาณเหล่านี้อยู่นี่ถือว่ายังอ่อนอยู่ถ้าเปลี่ยนสถานที่ปั๊บเนี่ยเ อ, อ oh. เคลื่อนได้ ทำให้มองเห็นว่าในกลุ่มที่สมมุติว่าที่วัดพระเชตวันนี่นะฮะก็มีกลุ่มบรรดาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเป็นอาจารย์ใหญ่ๆนี่นะฮะก็โอวาดสิทธ์ของกลุ่มของตอนของตนของตนไปถูกไหมฮะก็หมายความว่าเอออีกเดือนสองเดือนพระเจ้าจะจะจาริกแล้วนะก็เร่งเร่งใช่ไหมเร่งให้เร่งให้สิทธ์ของตัวเองนั้นเนี่ยได้เร่งให้มากเจริญให้มากๆากใช่ไหมครับอันนี้ทําให้มองเห็นภาพว่าไอ้วิธีการเจริญเนี่ยท่านต้อง ท่านต้องมีขั้นตอนมีมีอะไรมีแนวทางที่ชัดเจนมากเลยในเรื่องการเจริญเนี่ยถูกไหมฮะ<ม>ว่าเจริญยัางไงาเจริญอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นป่ปีๆจะบรรลุมรรคผลได้ยังไงครับเห ม, มือนกเป็นนักเรียนน่ยปีหนึ่งก็สาเร็จมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นลักษณะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทําให้เรานึกว่าเออท่านท่านท่านเจริญกันสมมติท่านเจริญปรัสนาท่านเจริญก็หนีไม่พ้นเรื่องการทำปริญญาอยู่ดีก็ใช่ ันก็ทั้งหมดอย่างที่กล่าวคุ้นเคยกันนะในนามว่าขันห้านั่นแหละคือพิจารณาขันอนนะถ้าเป็นวิปัสสนาภูมิก็ไม่พ้นขันอายตนะและธาตุก็ประมวลทุกอย่างเป็นขันอายตนะและธาตุแต่ทีนี้มันก็บางครั้งมันก็เป็นขันมั่งมันไม่เป็นขันมั่งที่มันเป็นมั่งไม่เป็นบ้างเนื่องจากอะไรสุตตะมาไม่ดีเป็นต้นหรือสัมมาสมาธิไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นมองเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ไม่ได้มนสิการโดยความเป็นขันแต่มนสิการว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะคือถ้ามนสิการว่าเป็นสัตว์เมื่อไหร่ไม่ใช่ทางหย่างนั้นเถอะคือคือไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่เป็นที่ถิวิสุทธิเนี่ยนะก็ต้องมนสิการโดยความเป็นขันทีนี้การจะมนสิการโดยความเป็นขันเป็นต้นอ่ะความรู้ในเรื่องขันก็ต้องต้องดีนะที่เรียกว่าสุตตมยญาณเนี่ยนะปัจจัยภายนอก คือการฟังมาเป็นอย่างดีปัจจัยภายในก็ต้องหมั่นท่องบนสาทยายเนี่ยนะแล้วเอามาใคร้ครวนแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะจนจนชำนาญ น, น่นะ <c oughs> การเจริญพวกนี้นะไม่ถ้าถ้าสมมตินะเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับการดูภาพสามิตินั่นแหละใช่หมที่เดียวอะ่ะแต่ว่ามันจะมองแบบซ้อนซ้อนซอนซ้อ น, อนลึกเข้าไปอีกเท่านั้นเองอะนะคือความจริงก็คือในในสิ่งเดียวนั่นแหละแต่ว่ามีการมองอย่าง ลึกซึ้งเข้าไปอีกแต่ว่าอันนี้อยู่ที่พื้นฐานว่าความรู้พอหรือเปล่าท่านน่ะถึงแยกแยะว่าเออเนี่ยขันห้านะนั่งขันห้านี่ลุกขันห่านี่ยืนเดินนั่งนอนนะรูปเหมือนกับฟองน้ําเวทนาเหมือนกับตอมน้ําสัญญาเหมือนกับพยับแดดสังขารเหมือนต้นกล้วยวิญญาณเหมือนมายากลเนี่ยวิญญาณเหมือนมายากลเพราะว่ามันทําให้หลอกเหมือนกับจิตดวงเดียวกันนั่นแหละนั่งจิตดวงเดียวกันนั่นแหละยืนดวงเดียวกันนั่นแหละ นอนจิตดวงเดียวกันนั่นแหละขามาจิตเดียวกันนั่นแหละทําให้ตายเนี่ยนะจริงอ่ะวิญญาณนั้นเหมือนมายากลอะ่ะแต่ถ้าไม่มีการเจริญสิ่งเหล่านี้เป็นอัธยาศัยจริงๆเข้าเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมลืมคําสอนเมื่อไหรก่ก็เรื่องของเราละนั่นนะเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่เจริญใหม่ๆเนี่ยพวกนี้จะต้องสําำรว่าต้องอาศัยพี่เลี้ยงมากอย่างนั้นเถอะอาศัยพี่เลี้ยงอาศัยสังคมสิ่งแวดล้อมหรือหรือไม่ก็คนนั้นต้องปัญญาเนี่ย ค่อนข้างเก่งจริงๆเลยนะแต่ถ้าไม่ยืนอยู่บนหลักการอันนี้เข้าเอ๊ะสักตายแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงนาถ้าเที่ยงก็สัตตะถ้าไม่เที่ยงก็อุเฉดหรืออาจจะว่าถ้าจะแบบนักเล่นลิ้นหน่อยนะก็มีลทัทธิเล่นลิ้นอีกคือ ตายแล้ว่เป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้นะท่านก็กันไว้อีกอะนะจริงๆไม่ได้ทําปริญญาหรอกแต่กลัวเขาแบบเดี๋ยวเขาซักไ้ไล่เลียงมากอนะเดี๋ยวจะยุ่งเดี๋ยวจะตอบไปอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นมูสาณะก็เลยเนี่ยที่มาของลัทธิปลาไหลขึ้นอะถ้าเกิดเราตอบว่าเที่ยงนะถ้าเกิดมันไม่เที่ยงแหละเขาไล่มาอีกมันไม่เที่ยงยังไงเราตอบเขาไม่ได้ถ้าเราไปบอกว่ามันไม่เที่ยงแล้วถ้าเกิดบางอย่างมันเที่ยงเราจะว่าไงท่านก็เลย ก็เนี่ยตอบอย่างนี้แหละเป็นอีกก็าหาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็าหาไม่ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นลัทธิเพราะนั้นในทิฏฐิทั้งสิประการนะตั้งแต่โลกเที่ยงหรือข้อ1นะข้อ2โลกไม่เที่ยงหรือข้อ3โลกมีที่สุดหรือข้อสโลกไม่มีที่สุดข้อห้ชีพอันนั้นสิริระก็ อ, อันนั้นข้อหชีพอย่างหนึ่งสริระก็อย่างหนึ่งขออ้งงขอ7สัตว์เมื่อตายแล้วเป็นอีกหรือว่าเป็นอีก ข้อแปดก็สัตว์ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกข้อเก้าสัตว์ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีข้อสิบตายแล้วเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกหาไม่ได้นี่นะสิบข้อท่านก็ถามพระนรนว่าพระนรนเนี่ยเห็นอย่างนี้หรือเปล่าพระนรนก็บอกว่าดูก่อนนะุโสเราไม่ได้มีความเห็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระนรนไม่ได้เห็นโดยความเป็นสัตว์เพราะท่านเห็นโดยความเป็นขันอยตนะธาตุหรืออะไรก็ได้นะที่ท่านชํานาญนะที่ท่านถนัดอ่ะ อันะเธอย่อที่สุดก็เห็นเป็นนามรูปังนั้นแต่อันนะชอบไหมนามรูปแล้วง่ายดีนะสองคำเองแต่ว่าโย่อๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะไม่เชื่อลองเอามาเรียนเฉพาะมาติกาดูจะเข้าใจดีหรื อ, อนนเปล่าเพรศัพท์ว่านามรูปคือมาติกาต่อไปนะเอาพอแล้วคุณจะพูดต่อเลย เดียวมันจะกำเริบ ม, มากกว่า น, น, นั้นอีก